ใครมาไฟตั้งหน้าศึกษาด้วยความรงใจความมุ่งมั่นต่อความดีมั น, นความไม่ดีนะมันเต็มู่ในหัวใจแทกจะแบบจะหามไปไม่ไหว้วยการทุกคนอันนี้ไม่มีใครจนความไม่ดีนี่ เป็ น, น้าเป็นฐานเป็นมวลสดมวแห้งเป็นภายในใจไม่มีใครบกร่องสิ่งที่บกร่องก็คือน้ำมันสะอาจที่จะเข้าไปช้าล้างสิ่งสกปรกรบกรุงลังซึ่งทำให้หนักอึนตลอดเวลานี้หค่อยๆจิตจางหายไปเพื่อฉลิเบาบางขึ้นภายในจิต และครองตัวต่อความดีทั้งหลายในการที่จะคิดจะพูดจะทําเวลานี้การคิดจะพูดจะทําในทางที่ดีส่วนใดก็ตามมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งพูดทั้งลลกไม่อยากคิด ไ, ไม่อยากพูดไม่อยากทาก็เพราะสิ่งเหลานี้กดทวงไว้ไม่มีใครที่จะแค่เดียวฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบา ร, บ ร, รู้โทษรู้คุณ อย่างถูกต้องแน่นยันยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราได้กล่าวท่านถึงท่านว่าผู้ทงธรรมัาางสนังกระชังจึงขอให้ถึงสิ่งทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความอินใจด้วยกันทุกองค์เราจะเป็นที่เบาใจเราเองด้วยสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ใด ด้านหนึ่อรอับหญงชายก็อห้อยเขาด้วยเขาด้วยพลอยด้ว ย, ออ ย, ออยความเย็นใจเย็นตาซาบซึ้งจิตใจในทางดีกับเราด้วยสมคาว่าเรานี่เป็นพระเป็นเทวดไว้ใจและชุ่นเย็นแก่หุนตาจิต ใ, ใจของชาวโลกนี่เป็นหลักสำคัญตัวเราเองก็หาบก็หามตั้งแต่มุ่นสดมุ่นแห้ง ไปที่ไหนก็ศาสตร์กระจายไปให้คนอื่นเหมืนครุ่งไปตามๆกันทั้งที่เขาาำนิพระเนรศาสนาทุกวั น, นอาศัยความเคลื่อนไหวของพระเนรที่ออกมาจากความไม่ดีของตนนั่นแหละทำให้โลกเป็นหนักกกหนักใจมาจต่ละธรทุกวันนี้ ยพยายามชำระสิ่งที่กล่าวนี้ด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจจงใจหนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความตำเนิติเตียนเหล่านี้มันก็เป็นโลกกระทแม้จะตำเนิติเตียนโดยทางที่ถูกตามความจริงของเขาก็ตาม แต่ก็จะกลับกลายหายไปได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของเราด้วตังใจพุทปฏิบัติดินช้าล้างออกหลักอย่าอยู่ตรงนี้ให้เ่านจำเอาไว้ดะนะั้นผมเองก็จะคอยแนะนำอสอนเพื่อนดูตลอดเวลาตามการตามเวลาไม่ค่อยเพื่อนขาดเหมือนอย่างแต่ข่อนันมันเป็นไปไม่ได้แล้ว มาดขันก็ไม่安稳สุขภาพทางด้านหัวใจสอดเป็นไปอยู่ดังที่ทราบๆอันนี้ดังนั้นการแนะนำสั่งสอนที่ให้เต็นไม่เต็มหน่อยตามไม่ล่ำเวลายิงป็นเปได้ยางเพียงแต่ปัวครองตัวเองอยู่างนั้นปลําบากนางคืนนอนไม่หลับการอบอันนี้ ตางองมาให้ดูตาให้เป็นนักศึกษาวิชาออกได enfin ้เกิดได้ทั้งทางตาทางหูทางสนุกทางยิ้มทางกายทางใจแล้วอวิชชาก็เกิดได้เพิ่มได้จากอายุรเดียวกันนี้นั่นเรามั้งใจศึกษาเพื่อทิมการางหลังแต่เรา ศึกษาเพื่อย่างที่กล่าวมุ่งตนเพื่อให้เป็นผู้หนักแน่นดยกันมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มองในแง่ความเป็นธรรมเพื่อหวังธรรมความไม่ดีไม่ดีนั้นมันมีอยู่แล้วทั้งเราทั้งท่านมีกันไนหมดมองอยู่ที่ไหนมันก็เต็มไปหมดมีเพียงไม่ควรนำสิ่ ง, ง น, ง น, น, งนี้เข้ามาเพิ่มเติมกัน ทิฐิผมสิที่มีอยู่แล้วภในตัวเที่ยวว่านิสัยมองกันในนี้ก็คือเป็นผู้หาสั่งสมความผิดในตัวเองนั่นแหละแทนที่จะถูกตามความตมีผู้อื่นล้าไม่ดีกลับเป็นผิดสำหรับตัวเป็นผู้ส่งแสวงหาความไม่ดีในเองในตัวเองตามนิสัยของจิตที่มีก็ลีต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปรือเป็นภัยในความคิดประเภทเนี้ การมองในเนี้ ย, เ, ยเป็นความผิดทั้งนั้นท่านมองในเนี้ยเป็นทางตามาามาศึกษามาศึกษาได้ประโยชน์เรื่ยไปทรรของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสงสัยแล้วเหมือนกับวางตลาดให้โลกไปเห็นเอาใครอยากได้ชนิดไหนสินค้าเพื่ต่างๆนับแต่ราคาหนึ่ ง, ง, งไปตามขึ้่นไปจะมาทำถึงทำถึงนับไม่ต้วนแห่งหม น, น, นล้านล้าน จะมาเป็นการซื้อขายและเปลี่ยนกันให้สมระคําราคากันสินค้ามมนมีที่จะต่ำกว่าราคาหรือไม่สมคุณค่าราคาที่คุณมาต้องการในซื้อขายนะั้นฐนะสมบัติก็คือธรรมกาจะเกิดขึ้นจากการสอดเสรอิอาหารการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ของผู้สนใจตามขั้นภูมิเนความสนใจไม่สงสัยมัชิมาปฏิปทานี้คือศาสนาธรรมของวิชาถ้าเทียบเป็นสินค้ากอวางเกลือนโลกอยู่แล้วมาแตกันทงไหนนอกจากโลกจะมีหูดีต า, ด, ด, ตาดีเลือกหูประเภทใดตาเพศใดเลือกเ้นไดชนดิดใดเพราะคำว่าศาสนาธรรมนี้ไม่มี อย่างเดียวสิ่งที่ศพก็บลุกรบุญลังยังเครือบนังแสงยังปกปิดกำบังสาสนาธรรมมันเป็นของหนึ่งคูนข้ามามากไว้อย่างมิชิดอีกด้วยจรงต้องอาศัยปัญญาวิจารณญาณนจะได้เห็นของจริงตามของจริงเห็นของชั่วตามความเป็นชั่วของมันแล้วละแล้วถอนตามหลักแห่งการละบําเพ็ญตามหลักแห่งการบําเพ็ญโดยถูกต้อง นั่นจะได้ความดีของประเสริฐไม่เคยฆาดเคยคิดเคยฝันก็จะได้ปรากฏขึ้นที่หวัวใจดวงผู้สอบเศรัทหานี่แหละมันเท่าไหร่ฉายเลยฉายไายปกโโกงนั้นมันไม่ได้เห็นอ่ะ